พระเจ้าคิดดีทำดีคนที่จิตดีคิดดีชีวิตพบสุขหันษาเป็นที่รักใคร่เมตตาบันดาผู้คนทั่วไปคิดดีช่วยเหลือเจือจุนเกื้อหนุนผู้ที่ยากไร้เห็นแก่ส่วนรวมด้วยใจใครๆล้วนแต่ชื่นชม คนที่คิดชั่วทำชั่วเกลือกลัวความทุกข์ขื่นขมชีวิตล้มเหลวตรอมตรมนิยมแต่ทางทำลายคิดชั่วหยิบฉวยของเขานึกเอาแต่ที่ง่ายง่ายใครลำบากไม่ว่าขอสบายผู้คนเหนื่อยนายเกลียดชังเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที มันสร้างความดีปลูกฝังแต่เล็กเปิดใจจริงจังรับฟังคำสอนแนะนำรู้จำสิ่งควรปฏิบัติรู้หัดตัดใจไม่ถลํารู้ประโยชน์ส่วนรวมร่วมทมรู้นำจิตสว่างทางเจริญ ด้วยความปรารถนาดีจากอุทยานปฏิบัติธรรมศรีเจริญธรรมบ้านหนองกระโจมอําเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ